เรื่องบังคุลิปเปรศเพศหญิงหนึ่งเรื่องวงเล็บเพรศรูปร่างน่าเกลียดเพศหญิงสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวฬุวันสถานที่เหยื่อกระแตเขตกุงราชครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิ้จกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสุถือบาทและจีวร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 พระลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยตอบปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครื้กลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิดจกูฏ ในกรุงราชคลีนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานาตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นมังคุลิปเปรตกลิ่นเหม็นเพศหญิงลอยในอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยียว่วพากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกถึงยื้อยแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญคราง เราผมมีความรู้สึกว่านาอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตนําหนิประนามโพล่ทนาว่าพระมหาโมคลนะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจกักษุยันก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นมังคุลิปเปรตเพศหญิงนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราพิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นแม่มดในกรุงราชคเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปี แล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่49